คนมืดแล้วเมื่อไหร่จะพักสักทีล่ะเนี่ยใ <im itation> จยเย็นๆเดี๋ยวหัวหน้าก็สั่งพักเองแล้วทำไมเราจะต้องมาฟังคําสั่งพวกข้าด้วยกันซ้ํายังยกยอก่ยองให้เขาเป็นหัวหน้าอีกด้วยทําไมเราไม่เป็นหัวหน้าเราเองทํอาอะไรตามใจชอบบ้างเราลืมอยากจะพักก็ไม่ได้พักต้องรอฟังคําสั่งมันจะมากไปน่อยนะเ <im itation> รืว่า า, ายก็มาได้นี้กานมาหาะไรเนี่ยพวกเรายกย่องให้เขาเป็นหัวหน้าเองจะหาเรา้าท่านไม่ชอบ ก็สามารถทําอะไรก็ได้ตามใจชอบยาพักต่อพักได้เลยคนที่เรายกย่องให้เป็นหัวหน้าคงจะไม่กล้ามาว่าอะไรท่านหรอกน้านะข้าพระเจ้าก็อยากจะทําตามใจชอบเหมือนกันแต่ว่ามีอะไรอ่ะแถวนี้เขาว่าโจรชุมซะด้วยแยกตัวไปตามลาพังเจอมันเข้าจะสู้อะไรมันได้มีแต่จะถูกฆ่าตายเท่านั้นที่ข้าพเจ้ายอมอยู่ด้วยแล้วก็ยกย่องให้เขาเป็นหัวหน้าเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนมีปีกมือเราอ่ารู้อย่างนั้นก็ไม่น่าจะต้องมาพูดนี่นะ ออะเ๊นั่นใครขีม้าตามานั่นน่ะฮะหรือว่าพวกโจรเราส่งสัญญาณให้พวกเราข้างหน้ารู้ดีกว่าอย่าเพิ่งอย่เพิ่งอย่าพลาดอย่าเพิ่ไม่เน่ยจะให้พวกโจรต้อนกลอนหรือไงเห็นจะไม่ใช่พวกโจรนะถ้าเป็นโจรคงไม่มากันแค่สองคนหรอกน่ามันอาจจะมาดูลาดเราก็ได้ถ้ามาดูลาดเราจริงเห็นพวมีมากกว่าอย่างเงี้ยมันก็กลัวแล้วอเข้ามาใต้แล้วท่านบอกคะข้าราจ้ามีข่าวร้ายจะมาบอกนะ ข้าวรายข่าวราอะไรกันนะ่ะข้าพระเจ้ามาจากหมู่บ้านอุตรคามในระหว่างทางข้าพระเจ้าทั้งสองพบพวกโจรเป็นอันมากขอให้ท่านรีบเร่งเดินทางต่อไปอย่าได้หยุดค้างคืนในดงนี้เป็นอันขาดถ้าพวกท่านเดินทางต่อไปพวกโจรอาจจะตามพวกท่านไม่ทันข้าพระเจ้าบอกท่านโดยความหวังดีไปก่อนละถไปแล้วหนะ่ะเกือบไปแล้วเชียว เกือบอะไรเหรอถ้าหยุดพักซะตรง น, นี้ก็ไม่หวังเจอพวกโจนะเร่ข้าพเจ้าไม่คลรใจร้อนเลยเออแล้วนี่จะทำยังไงก็รีบส่งข่าวให้หัวหน้ารู้สิหัวหน้ารู้แล้ว สั่งให้รีเดินทางต่อไปน่าขอบใจสองคนนั่นอุตส า, ศามาบอกให้รู้เขาว่าโจรแถวเนี่ยดูซะด้วยสิมันจับได้แล้วก็เป็นต้องฆ่าใจมันโหดเหี้ยมอามาหิตนะดีที่เรารู้ตัวซะก่อนไม่ตั้งค่ายพักเอ๊ะมีม้าวิ่งตามไอสามตัวฮะพวกไหนอีกละ่ะอะไรนะขรรมขมีอะไรเหร อ, ข, อหข้าพะเจ้ามาดามูบ้าสักครับ ระหว่างทางเรา3ามคนพบ ว, พวจรมากมายพวกท่านรีบเดินทางต่อไปอย่าหยุดค้าคืนในน่งนี่เป็นอัขานะฮะพวกท่านเห็นพวกโจรเหรอเห็นสิลวามาบอกกันไเราและพวกมันมีแยอไหมโอ้ยเแยะเลยหรือว่าจะมากกว่าพวกฝร่นะแต่ไม่เป็นไรหรอถ้าพวกทานเดินทางต่อไปพวกโจรอาจจะตามทานมัทนมนทันเขาไปเจ้าบอกท่านในความหวังดีนะเนี่ย ปแปลกเหรก็ที่มีคนมาบอกคุณเหมือนกันนะซสองคนแรกก็พูดอย่างเงี้ยสามคนนี่ก็พูดอย่างเดียวกันอีกอะเรากับว่าท่องจากันมาอย่างนั้นน่ะแม่มันน่าสงสัยจริงๆนะอย่าสงสัยอะไรหน่อยเลยนะเขามาบอกก็ได้วความหวังดีคนเห็นเหตุการณ์อย่างเดียวกันก็ต้องพูดอย่างเดียวกันนี่แหละรีบให้คนไปส่งข่าวหัวหน้าเร็วเถอะไปข้าพระเจ้าจะให้คนไปส่งข่าวหัวหน้าเดี๋ยวนี้ ไม่ตามแผนทุกอย่าง <c oughs> พวกพวกข้าไม่ยอมหยุดพักเราจะเอาอยัางไงอะหัวหน้ า, าทำตามแผนขันต่อไปเ้าก็เอาเลยพี่ชา้าอยู่ทำไมเล่า <c oughs> เอ้หลงมากโจวตี ได้ขึ้นลเราคือรอบมานี่นะไอ้ข้าวปนฉวยนเนียกดการต่อสู้ใหญ่แล้วตนข้าวปนแล้วเร็วไปช่วยกันไปเลยบุกไปไปไไไปไไปไปไไปไปไไป่ปไปไปไปไปไป เราก็ชนะน้องชายจํานวนมากที่หนีไม่ได้เจ้มีแต่ก็ชังมันเรายึดสินค้าของมันไม่ได้เป็นจำนวนมากคราวนี้ก็สบายไปอีกนานละหายทั้งหลายฝั่งนั้นนี่ใครชนะอันงดงามที่ได้รับคราวนี้เราได้มาด้วยอํนนานาจของเจ้าแม่กาลีเราก่อนที่จะเคลื่อนพลออกจากค่ายเราได้บนบานเจ้าแม่ไว้ว่า ถาประสบชัยชนะจะสังวยเจ้าแม่ได้ลอยหิตจากลำคอหัวหน้าพ่อค้าปัจจุบเราได้ชัยชนะสมปรารถนาแล้วเราจะต้องแก้บนเจ้าแม่เฮ้ยเจ้าสองคนนั่น<ะ>ไปนําหัวหน้าพ่อข้ามาที่นี่ไว้ไปไปเดี๋ยวได้ดูการสังวยเจ้าแม่กาลีกันบ้าเธ อ, อยังไม่เคยเห็นใช่ไหมเรวตัตเตอร์พรเจ้ า, ายังไม่เคยเห็นตลอดเวลาที่เธออยู่ที่เนี่ยังไม่มีการสังวยกันเลย เพจะมีนี่แหละแต่ก่อนหน้าที่เธอจะมาอยู่มีการสังวยเป็นประจําเธอคิดว่าจะดูได้ไหมทําไมจะดูไม่ได้เรื่อฆ่ากันตายกบเจ้าก็เห็นมากมากก็มากแล้วจนรู้สึกชาชินเห็นเป็นของธรรมดาใจก็แข็งแกร่งมากนะเรวัตะดูรูปเจ้าแม่กาลีนะสิรู้ไหมว่าปางอะไรแต่กบเจ้าทายม่ผิดเห็นทีจะเป็นปางกระหายเลือดถูกแล้วเยืนแยกเที่ยวอยู่บนแท่ง ท่าทางกําลังโกรธมากไปเดียวรอบแทนของเจ้าแม่เห็นหรือเปล่าว่าล่ะกระโหลกคนทําเป็นสังวนนันน่ า, า, าหน้าพ่อค้า<ป>ถูกนำตัวมาแล้วโอ้ท<ป>่าทางเจ้าหมองแน่นัก<ป>คนรู้ตัวว่าจะต้องตายเอ๊ะโอหน้าพ่อค้าคนนั้นก็เห<ป>มือนว่าจะเคยเห็นหน้ามาก่อน เธอพูดอะไรนะเรวตะาฉันได้ยินแววๆหัวหน้าพ่อค้าคนนั้นเธอเคยเห็นหน้ามาก่อนใช่ไหมถูกแล้วท่านโกริหัวหน้าพ่อค้าคนนี้ถึงแม้ข้าพเจ้าจะเคยเห็นหน้าและนึกออกอยันแล้วว่าเคยเห็นมาก่อนจริงหรือเปล่าและเขาเป็นใครข้าพเจ้าเห็นหน้าไม่ถนัดเลยตรงนั้นมืดสลัวไปหน่อยถ้าไฟสว่างก่อนนี้อีกสักนิดนึงก็จะดีก็ไม่ยากอะไรนี่เฮ้ยเจ้าคนนั้นอะเอาเนยแล้วล่ากมได้กองไฟสิ ข้าพระเจ้าจะปฏิบัติตามคำท่านโกลิศเดี๋ยวนี้เอาละเนยเหลวถูกล่าลงมปในกองไฟแล้วเหลวไฟลุกโชนช่วงคราวนี้เธอคงเห็นหน้าเฉลยพูกเคราะหร้ายถนัดลงนะเทวตเห็นถนัดกว่าเก่าจริงๆแต่ขอเข้าไปดูให้ใกล้กว่านี้สักนิดจะได้ไหมเข้าไปสิเทวตเข้าไปอย่างสงบอย่าเอะอะโยวายฉันจะเข้าไปกับเธอด้วยมีอะไรจะได้เตือนกัน ขยับตัวเข้าไปใกล้ให้มองดูหัวหน้าพ่อค้าอย่างพินิทสิครับเขาดูเหมือนว่าจะเคยเห็นหน้ากันมาก่อนแต่ว่านานมาแล้วยังนึกไม่ออกว่าเป็นใครอ๋อจำได้แล้วนเฉลยคนที่ไม่ใช่ใครที่แท้ก็ท่านสูมงคาาเอง มังคละข้าหาบดีแห่งกรุงสาวัตถีที่เคยไปอาศัยอยู่นึกไม่ถึงเลยว่าจะเป็นท่านเพราะเราเราแท้แท้มีส่วนวางแผนการก้นผู้มีพระคุณการกระทําของเราเป็นที่น่าเสียใจอีกไม่ชาแล้วสินะท่านก็จะถูกชีดคอเพื่อเอาเลือดบุชาเจ้าแม่กาลีโอจะทนดูไห ว, วเลยไหมท่านจะถูกฆ่าอย่างคารุนต่อหน้าต่ตา จ, จดจ่นผู้ประกอบพิธีถือดาบคมเกริบเข้าไปหาท่านสุเมฆาแล้วพิธีก็มันจะเริ่มแล้วจะทำยังไงดีนะ่ะเรวัตตาเธอเป็นอะไรไปรู้สึกว่ามีความประวนกระวา ย, ย่างหนักทีเดียวครับถูกแล้วท่านโกริศข้าพเจ้าประวนกระวายใจจนแทบจะทนต่อไปไม่ไหวนะข้าพเจ้าจะต้องช่วยก็จะช่วยใครเรวัตตาข้าพเจ้าจะต้องช่วยผู้มีพระคุณข้าพเจ้าต้องช่วยนั่งรองเรวัตตา พิธีจะเริ่มแล้วอาทำความประร๊บหัวหน้าทําไมข้าแต่หัวหน้าโจรผู้เจริญนั่งลงเรวัตตะเขาพเจ้าขอวิงวอนท่านผู้เป็นหัวหน้าขอได้โปรดสั่งระงับพิธีกรรมนี้ไว้เจ้าท้าก่อนเรวัตตะเห็นดังเรื่องว่าไหวกันบอกว่าให้นั่งลงท่านหัวหน้าเขาพรเจ้าไม่สามารถทนดูหัวหน้าพ่อค้าต้องถูกจับเชื้อคอต่อหน้าต่อตาได้ขอจงโปรดระงับซะจะทําไมเรวัตตะเพาหัวหน้าพ่อค้าผู้นี้ คือท่านสุมังคะคาบดีแห่งกรุงสาวัตถีผู้เขามีพระคุณอย่างสูงแก่ข้าพเจ้าเรวตะเรวตะช่วยเราด้วยข้าพเจ้าช่วยท่านผู้มีพระคุณแน่จะอยู่ในความสงบไปก่อนท่านหัวหน้าผู้เจริญจงโปรดระงับพิธีนี้เถอดระงับไม่ได้เจ้าแม่กาลิจะพิโรธถ้าท่านหัวหน้าไม่สามารถระงับพิธีนี้ได้ก็ขอได้โปรดฆ่าข้าพเจ้าบูชาเจ้าแม่แทนท่านสุมังคะคาบดีด้วย ข้าพเจ้ายินดีสละชีวิตเพื่อท่านผู้มีพระคุณคนนี้เรวัตต์เจ้าจะทํำลายพิธีสำคัญของเราสลาความจําเป็นหัวหน้าหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าทําผิดข้าพเจ้าก็ยินดีรับโทษผิดนั้นสุดแท้แต่ท่านจะเห็นสมควรถ้าเจ้าพูดกันแล้วเจ้าทําผิดมากทีเดียวเรวตต์แต่เอาเถอะเรื่องของเจ้าก็เป็นเรื่องที่นราเห็นใจอยู่เหมือนกันเพื่อเห็นแก่เจ้าเราจะระงับพิธีนี้ไว้ก่อน หัหน้าเป็นความจริงเหรอเนี่ยเราเป็นหัวหน้ากูทำอะไรแล้วต้องเป็นคำนั้นเจ้าเป็นคนรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณเราก็รู้จักบุญคุณของเจ้าเหมือนกันเพราะเจ้าได้ช่วยเหลือเราม า, มากเราจะให้อาภาัยกัเจ้าครั้งหนึ่งรวมทั้งเจ้าหัวหน้าพอค้านด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงสํหรับข้าพเจ้าอันความกรุณาของท่านนี้ข้าพเจ้าจะจ่ารึไวในส่วนลึกของหัวใจ จะจดจำไว้ไม่มีวันลืมเอ้ย <Hey. S 1> แต่มัดทันกระหาวดีแต่มัด oh, เรวต่ตตาเราเป็นอิสระแล้วข้าพเจ้าดีใจด้วยไม่นึกเลยว่าจะพบเจ้าในกลางตรงกลางป่าเชนิี้ถ้าไม่พบเจ้าป่านี้พ่อมันเป็นศบไปแล้วเหร จะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่และมาได้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างคลายปฏิหารเหลือเกินพ่อ ง, งุนงงต่อเหตุการณ์ไปหมดแล้วเจ้าช่วยให้ความเข้าใจแก่พ่อหน่อยเถิดหรือว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแต่ความฝันเท่านั้นใช่ไหมเรย์วัตต์ไปเช่ความฝันแล้วทั้งหมดนี้เป็นความจรงิงถ้าอย่างนั้นเจ้าเล่าความจริงทั้งหมดให้พ่อฟังหน่อยเถิดเรื่องราวาเป็นมาอย่างไงเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ข้าพระเจ้าจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ กลายเป็นโจรแต่ที่ข้าพเจ้าออกจากบ้านมานั้นไม่มีสาเหตุอะไรเขาแต่จะออกมาตามหาบิดามารดาเท่านั้นเรื่องอยากออกมาตามหาบิดามารดาแค่นี้เองชีวก็เลยต้องหันเหนกลายเป็นโจรไม่นาเลยข้าพเจ้าต้องขออาภายัยออกจากบ้านมาไม่ได้บอกให้ท่านรู้เบรยวัตตเอ๋ยพ่อยินดีให้อาภัยทุกอย่างในการกระทําของเจ้ากลับไปอยู่กับพลอยเถิด พอจะให้ทรัพย์สมบัติและความสุขแก่เจ้าอย่างเพียงพอเจ้าจะมีความสุขยิ่งกว่าเป็นโจรต้นสะดมครับไปอยู่กับพ่อเถอะนะเรวัตะ์ข้าพระเจ้าไปอยู่กับท่านไม่ได้ทําไมล่ะเรวตะ์ข้าพรเจ้าเป็นคนชั่วไปนะข้าพระเจ้าเป็นผู้ศักดิ์ศรีทั้งกายและใจไม่สมควรจะอยู่ร่วมสังคมกับผู้ดีอย่างท่านทําไมพูดอย่างนั้นล่ะเรวตะความจริงเป็นอย่างนั้นข้าพรเจ้าเป็นโจรต้นคนมามาาต่อมา ความผิดของข้าพเจ้าหนักนะแต่การประหารชีวิตก็ยังเบาเกินไปสําหรับโทษข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้ากลับไปอยู่กรุงสาวัถีกับท่านิษฐ์แน่นอนเลยเกินข้าพเจ้าะต้องถูกราชบุรุษจับตัวไปลงโทษและความเดือดรอนที่ตกอยู่กับท่านข้าพเจ้าชั่วก็ขอก้มหน้าเดินไปตามทางชั่วต่อไปแต่พ่อขอรับเราเจ้าจะไม่มีโทษผิดอะไรทั้งนั้น พราเจ้าทำผิดแล้วจะไม่รับโทษผิดได้ยังไงได้สิพอทำได้ทำยังไงพอจะทูลขอพระเจ้ทานอภัยโทษจากพระเจ้าปัดเสษที่โกศไม่ให้เจ้าได้รับโทษฐานใดๆคั้งสิ้นเชื่อพอเถอะพอทำได้นะเรวัอย่าเลยท่านอยาทำอย่างนั้นเลยเป็นการไม่ดีรู้ถึงหูคนอื่นจะตำหนิท่านได้ว่าช่วยเหลือคนทำผิดเจ้าอยากเป็นโจรอย่างนี้ตลอดไปเลย ใจจริงนะข้าพเจ้าไม่อยากเป็นโจรอยากจะละทิ้งไปซะให้ไกลแล้วทำไมเจ้าไม่ยอมทำตามที่พ่อบอกละ่ะนั่นเป็นเพราะข้าพเจ้าอรอบพั่านมากไม่อยากให้ท่านต้องเสียชื่อเพราะข้าพเจ้าแต่พ่อยอมส่วนข้าพเจ้ายอมไม่ได้แตวาตาเห็นทีจะต้องขอขัดจังหวะหน่อยละมีอะไรหรอือท่านโกนิมีคำสั่งของหัวหน้าเป็นการกลาโทษเถิด น่ากล่ทษอะไรครับพเจ้าบอกว่าการกระทําของเธอที่แล้วมานั้นเป็นการกระทําที่ผิดอย่างมากแต่ควหน้าจะบอกยกโทษให้แล้วนั่นก็ถูกแต่หัวหน้ากับลูกน้องสําคัญได้ปรึกษากันเมื่อกี้นี้ซึ่งฉันก็อยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยได้มีการลงความเห็นของส่วนข้างมากว่าที่เธอทําไปแล้วนั้นผิดเมื่อผิดแล้วจะทํำยังไงเขาให้เธอแก้ตัวแก้ตัวอะไรเธอจะต้องหาคนอื่นมาแทนให้ได้ เพื่อเชื่อดขอแก้บนเจ้าแม่กาลีถ้าหาถามมาแทนไม่ได้วันพรุ่งนี้เย็นเธอก็จะต้องต้องอะไรถูกเชื่อดขอ เป็นสู่ขอบบอกให้เรือวันใหม่กําลังย่างขึ้นมาฝูงสัตว์ป่าขนาดใหญต่างส่งเสียงร้องระงมไปเว้นจะประกาศเตือนให้กันและกันเตรียมออกหาจิตสรมชาติของป่าใหญ่กําลังเต็มไปด้วยความตื่นมีความสดชื่นแต่ว่าหัวใจของสุกมังค์กบพอเยียวเป็นทุกข์อ่อนเสียทั้งกายและใจเป็นเพราะนอนในหลําปลอดคืน มันเสียงดูเบาเราถ้าไม้คิดถึงบา้านคิดถึงลูกเมียที่อยู่ทางตรุงสาทถีถ้าเขาเหล่านั้นรู้ว่าเราถูกกดและถูกจับมัดเขาไ่้ด้ปากเขาเหล่านั้จะรู้สึกยังไงเสียงฉ น, นรีรองโหยหวนทำให้คิดถึงชัยเส้นลูกชายก็เีย ตั้แต่ทุกตอนที่นั่นก็ไม่ได้พดหน้ากันอีกละจะเป็นตายร้ายดีประการใดก็ไม่รู้ มันสําคัญกับชีวิตข้าพเจ้ายังไงท่านก็รู้ใช่หัวหน้าได้ทันบนแก่เจ้าไวในวันนี้จะต้องจับคนมาให้ได้คนหนึ่งเพื่อมาเชือดคอบูชายันแก่เจ้าแม่กาเลยถ้าหาไม่ได้ท่านข้าพอดีจะต้องถูกจับเชือดคอข้าพเจ้าจะยอมให้เกิดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเจ้าไม่ยอมแม่กระห่าบดีถูกเชือดคอเจ้าก็ต้องถูกเชือดคอซะเองอย่างไหนล่ะที่เจ้าคิดว่าเหมาะสม ข้าพเจ้าถูกเชื อ, อดคอน่ยนะเป็นการเบาะสมเละนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการไปเจ้ารีบเอาไปหาเหยื่อเถอะเชื่อว่าจะต้องมีเหยื่อมาแทนสักคนหรอกรีบไปเถอะและกลับมาก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินไม่อย่างนั้นครืาหาบดีจะต้องถูกเชือดคอข้าพเจ้าไปนะโชคดีนะเรวตัตต์ ต้นไม้ริมทางเพื่อมองเห็นคนเดินทางแต่ไกลแต่นี่คอยตั้งแต่เช้าจนเพยียังไม่เห็นมีใครผ่านมาสักคนพระอาทิตย์เริ่มบ่ายคล้อยลงไปตามลําดำๆก็ยังไม่มีใครผ่านมาเลยฉันกรีววนกระวายใจสุแล้วสิเราถ้าไม่ไปนคนไปแทนเราจะต้องกลับไปให้พวกโจรมันเชื่อคอบูชาเจ้าแม่กาลีมันน่าสยดสยองน่ากลัวจริงๆ หรือว่าจะหนีเอาตัวรอดตอนนี้ก็หนีไปได้อย่างสบายทีเดียวแต่ว่าถ้าทําอย่างนั้นท่านข้าบารีผู้มีพระคุณต้องอยู่ในมือพวกมันจะต้องถูกจับเทื้อคอไม่ได้จะทรยศต่อผู้มีพระคุณอย่างนั้นไม่ได้เด็กขาดเมื่อหาใครไม่ได้ก็จะกลับไปตายแทนท่าน จะรับยอดไม้แล้วความหวังว่าจะพบใครสักคนหนึ่งเกือแท่งหายไปเห็นที่จะต้องตายแน่ๆวันนี้โอ้นั่นคนกำลังเดินดุ่มๆ ม, มาตามทางคนเดียวโอ้รอตายแล้วพบเยือที่จะไปให้เชือกคอแล้วเอาละ่ะค่อยๆลงจากต้นไม้ไปยืนแอบคอยอยู่ข้างล่างเดินมาถึงจะจับตัวไว้เลยเดี๋ยวกูจะหมดหวังซะแล้วสิ กับโชคเลยยังไม่คาดคิดตอนวินาทีสุดท้ายซะด้วย หากจะไม่ใช่คนธรรมดาสามัญสิสะโลนผมผ้า ย, ย้อมน้ํำฝาดสีดําำดำสะภายบาตลักษณะบอกว่าเป็นนักบวชในศาสนาใดศาสนาหนึ่งมีอะไรที่บอกให้หยุดท่านจะไปไหนข้าพเจ้าจะไปกรุงสาวัตถีท่านเดินทางมาในป่าคนเดียวไม่กลัวนะข้าพเจ้าจะต้องกลัวอะไรก็กลัวไนี่ไง <c oughs> ดาขมเก็ดใช่นะมข้าพเจ้าไม่กลัว แหลกมากถ้าหน่อยจะกล้าหานเกินไปซะล้วอย่าพูดโอหังนึกเลยนะดาวข้าพเจ้าไม่เคยตานนียใครนะถ้าท่านตายลูกเมียท่านจะลําบากข้าพเจ้าเป็นนาคาฤตไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีลูกไม่มีเมียเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่มีอะไรเป็นห่วงแม้แต่ชีวิตข้าพเจ้าก็ไม่ห่วงถ้าท่านต้องการจะฆ่าข้าพเจ้า ท่านก็ลงมือฆ่าได้เลยไม่ต้องท้าทายแล้วนาสมนะท่านจะต้องตายในเย็นวันนี้อย่างแน่นอนข้าพเจ้าไม่มีเวลาคุยกับท่านมากนะไปกับข้าพเจ้าโดยดีเดี๋ยวนี้ไป ใช่เลยกำหนดที่ให้ไหว้แล้วแล้วจะทํายังไงหัวหน้าแนะ้เวเจ้าคิดว่าควรจะทํำยังไงล่ะความเข้าใจของข้าพเจ้าจเจ้าเรวัตตาคงจะหลบหนีไปแล้วใครจะอยู่รอรับความตายให้ ง, ง่จริงไหมห่ะหน้เจ้าเูิดมาก็ไม่ผิดเมืเ่อเจ้าเรวัตตามันหนีไปแล้วบอกมาด้วว่าควรจะทํำยังไงต่อไปเอาเฉพวกข้าพนั้นเนี่ยมาเชือดคอบูชายังสิให้ควรจะเป็นอย่างนั้น ไปเอาไอพ่อค้าคนนั้นมาดเดี๋ยวก่อนหัวหน้าไม่อะไรอีกเหรอโปริตข้ามาเจ้าว่าอย่าเพิ่งทําอะไรพ่อค้าคนนั้นควรจะรอโดยอีกสักพักหนึ่งเรวัตตาอาจจะกําลังเดินทางมาแล้วก็ะดับ <c oughs> ยังจะหลงว่ามันจะกลับมาอีกเลยอปานนี้บนนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เจ้ารู้ได้อย่างไงว่าเรวัตตาหนีไปแล้วถ้าไม่หนีทําไมปานนี้มันยังไม่มาการหาเหยื่อกลับคนไม่ได้ของง่ายหรอกนะแต่ก็คิดว่าไม่ยากจนเกินไป ยังไงถ้าคิดจะกลับป่านนี้ก็คงต้องกลับมาแล้วแต่นี่มืดแล้วนะเลยเวลาไปนานแล้วเชื่อเถอะเจา้าเรวัตตานี่ต้องห น, น, นีไปแล้วแน่แน่เลยข้าพ เ, เจ้าเรวัตตากลับมาแล้วนะเรวัตตาเรวัตตาเจ้ากลับมาทันเวลาวันดีไงเจ้าบอกว่าเรวัตตาหนีไปได้ไงละ่ะแล้วนี่ใครเมื่อเรวัตตะมา ข้าพเจ้าก็ดีใจและขออภัยด้วยเรยวตัตต์ เ, เ, เจ้าได้เฉลยมาหรือเปล่าข้าพระเจ้าได้เฉลยมาแล้วนะเอามาใหม่ดูใกล้ๆเห็นหน้าชัดๆหน่อยสิ อ, อะเข้าไปใกล้ๆขนหะน้านี่คือเฉลยที่จะทําทการบูชายัญเฉลยคนใหม่ของเจ้าดูเหมือนไม่ใช่คนธรรมดาสามัญ